วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสองเป็นวันฟังธรรมร่วมกันอีกวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยวันนี้ทางโลกก็เป็นวันตรุษจีนของเขาอีกวันทั้งหลายแหละที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือวันสมมุตินะสมมุติมาใช้ผลทั้งหลายก็เลยพอสมมุติคือมาแล้วก็ติดสมมุติติดแบบ แกะไม่ออกและต่างหักนะถ้าไม่ใช้ธรรมะเข้าไปแกะมันแกะไม่ออกว่าเราเป็นนั้ น, น, นจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของเราจริงๆนอกจากธรรมะเท่านั้นเองที่จะเข้าไปชะล้างและเข้าไปทําความเข้าใจหรือเข้าไปแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกจากความคิดของตนเองสมมุติเป็นสิ่งที่ สมมุติมาใช้แต่พ อ, พอสมมติขึ้นมาแล้วก็ตัวเองไปติดสมมติเราต้องไปติดสมมุติว่านั่นเป็นของเราว่าเป็นเนื้อหนังของเราเป็นของเราจริงๆเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงสมมุติขึ้นมาจะทำยังไงจึงจะไม่หลงสมมุติเหล่านั้นมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแยกแยะอะไรเป็นอะไร สมมุติวิมุติควรติดคนข้องอย่างไรสุดแล้วก็คือใช้ปัญญาคำว่าปัญญานี่ก็มีหลายระดับอีกต่างหากนะัปัญญาระดับไหนพูดคนเรียนรู้ในเรื่องโลกมากๆเขาก็จัดว่าคนมีปัญญาคนรู้ทางโลกคนรู้จักธรรมมาหาเรี้ยงชีพคนรู้จักเอาตัวรอด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นปัญญาทั้งหมดแต่ว่าปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็ น, ป, นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาที่จะชําระจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากกิเลสปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นปัญญาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบอย่างที่กล่าวเบื้องต้นนั่นแหละให้รู้จักแยกแยะ สมาธิิสมาสังกัปโภสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอชิววายโมสติสมาธิต้องใช้ปัญญาขึ้นก่อนถ้าคนไม่มีปัญญารักษาศีลก็ไม่ได้คนไม่มีปัญญาไม่รู้จักนั่งสมาธิคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำ ไม่รู้จักเอาสมมุติมาใช้ไม่รู้จักกระทั่งผ่าเสื้อผ้าของอยู่ของจินแล้วมันไม่รู้จักทั้งหมดนันแหละแต่ถ้าปัญญามันปัญญาขั้นไหนทีนี้ปัญญาที่จะตัดกิเลสเนี่ต้องเป็นปัญญาหลอมด้วยสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันคนที่จะมีปัญญาขั้นนี้ขึ้นมาก็ต้องมีปัญญารักษาศีลก่อน ชำระกายวาจาให้เรียบร้อยการชำระกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยทำไมจึงจะเกี่ยวกับปัญญาถ้าทาว่ากายของเราวาจาของเราไม่เรียบร้อยมีโทษไปทำโทษมาใหม่ๆอย่างคราวดากระพึงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าสัตว์มาใจกําลังร้อนอยู่ทินนาธานไปขโมยของเขามาหยกๆยก กาเมสุมิตช้าจารย์ไปประพฤติื่วงน้เมิดเขามุสาโกหกมาใหม่ๆสุรากินสุรามาใหม่ๆถ้าว่าจะมานั่งภาวนาเนี่จิตจะสงบเข้าสู่ความสงบได้ไหมเราหลับตานึกดูก็ได้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้รักษาศีลซะก่อนแต่เป็นไปไม่ได้เช่เลยใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าผู้มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดเคยฝึกฝนอุปรมมาในภพชาติต่าง ก, อกอ่อนอดีตชาติเคยฝึกฝนมาแล้วพอจะนั่งสมาธิหรือว่าพอจะตั้งใจเท่านั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันต้องไปตามแถวตามเรวอย่างที่เขาคนเรียนหนังสือเนี่ยอธิบายให้ฟังครั้งเดียวเนี่ยจำได้ไหม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะจําไม่ได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้บางคนเขาจําได้แต่บางคนอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงจะจําได้แต่คนอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีกกับคนอธิบายให้ฟังครั้งหนึ่งคนไหนมากกว่ากันเราก็ตอบได้เลยเว่าคนอธิบายซ้ำซากนั่มากกว่าคนที่พูดให้ฟังเพียงครั้งเดียวเราจําได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่จะรักษาศีลเบื้องต้น ผู้ที่มีปัญญามาก่อนผู้ที่เคยฝึกมาก่อนไม่ต้องพูดมากถ้าจะยกเป็นบาลีขึ้นมาก็ว่าพกขิปปิญญาสุขขาปฏิปทาขิปปิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ไดเร็วสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาขีปปิญญา ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วแปลว่าเอาจนหลอดล้มหลอดตายอย่างั้นเถอะแปลว่าสู้อย่างสุดๆปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วภุวกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าพวกคิปดปัญญาพวกรู้ได้เร็วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์ในตำราท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดอะไรมาก เมื่อตัดสรุปมาแล้วเอาพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจเท่านั้นแหละพอทั้งจิตใจเขาสู่สมาธิพูดให้ฟังอีกต้องพิจารณาอย่างนี้ท่านก็ตัดกิเลสได้พุพัดพุทพัดไปหมดเลยเพราะเหตุใรเพราะท่านเหล่านั้นฝึกมาจนช่ำชองจนมากพอสมควรแล้วบางตรงเต็มที่แล้ว เพียงแต่พูดให้ว่าตั้งใจเท่านั้นเองจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเมื่อได้ฟังเสียงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อฟังแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติในขณะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจใจเขาถอยเข้ามาหาจุดเดิมคือสมาธิฟังจากนั้นอธิบายให้ฟังไม่หมักท่านก็ได้ตัดจรู้ธรรมอันนี้ท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่ตัดจรู้มา ท่านมาแด่อธิบายธรรมะกว้างขวาแต่บางพระองค์อย่างพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเนี่ยท่านอธิบายเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสีเหล่าดอกบัวเหลาที่จะพ้นน้ําท่านไม่ได้พูดมากพูดเพียงสองสามประโยคเท่านั้นเข้าใจอย่างพระพาหิยะธารุจริย์ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตมาจากไหนทั้งรู้เลยว่าท่านเคยฝึกฝนมาแล้วย้อนเข้าไปหาตัวใจตัวผู้รู้ท่านก็ปล่อยวางเพจุดนั้นก็เป็นพระอหันต์ขึ้นมาอันนี้คือรู้ได้เร็วแต่ว่าดอกบัวเหล่าที่จะพ้นน้ํามันพ้นน้ําขึ้นมาแล้วเพียงแต่ถูกแสงสว่างแสงพระอาทิตย์เข้ามาสองเข้ามาดอกบัวก็บานรับทันทีดอกบัวที่สองต้น้ําลงไป ก็พร้อมที่จะเบ่งบานขึ้นมาได้แต่นี่ก็ต้องอาศัยเวลาจากนั้นก็อาศัยแสงสว่างอาศัยแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาเรื่อยๆจนพอพ้นน้ําแสงพระอาทิตย์ผ่านเข้าไปดอกบัวก็บานขึ้นพนน้ําัวบานรับทันทีดอกที่สามพอพ้นน้ําขึ้นมาแล้วทตนี่ต้องใช้เวลานานเวลาการอบรมสั่งสอนต้องยกแม่น้ําทั้งหามาเปรียบเทียบ สินเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นงนี้ปัญญาเป็นอานี้สมาธิตองนั่งแบบนั้นบางนี้กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้พูดแล้วผูกอีกบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อบางทีก็น่าจะเป็นได้บางทีก็น่าจะเป็นไปไม่ได้หลุบๆโผ่โผว่างั้นเถอะอันนี้คือพวกนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความฉลาดของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนาสั่งสอนผลที่สุดก็รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่ประเภทที่สี่ดอกบัวหยุดโผล่ขึ้นมาจากกอบัวเง่าบัวเป็นหน่อขึ้นมาอันนี้ไปแน่นอนเถอะบางทีอาจจะเป็นอาหารของปลาและเต่าบางดอกก็พ้นขึ้นมาได้แต่บางดอกมันพึ่งเป็นตุ่มขึ้นมาเอางอันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับปุตุชนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะนั้นเราจะจะให้เขาทั้งหลายแลรู้อัดรู้ทมทั้งหมดนะั้นเป็นไปไม่ได้ เป็นอุปนิสัยเก่าแก่นั่งเดิมของแต่ละดวงวิญญาณแต่ละหัวใจของแต่ละท่านละคนท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าอย่างที่ว่านั่นนะบางเราจะอธิบายให้ฟังอย่างไรก็หันหลังให้ไม่เชื่อตายแล้วศูนย์อย่างเดียวตายแล้วไม่เห็นมาบอกตายเลยเหมือนควันบุหรี่จบไปเลยอย่างนี้มีตั้งเยอะแยะเพราะแนวความคิด ความเห็นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเนี่ยมันแปลกแตกต่างกันหายนั้นพวกเราจะจะให้มันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้อย่างปัญญาอย่างทีว่าเบื้องต้นนั้นก็นเหมือนกันจำเป็นแม้จะต้องรักษาศีลซะก่อนถ้าจะพูดตามแถวแนวแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีศีลซะก่อนเป็นเบื้องแรกศีล ส, สมาธิปัญญามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าเป็นผู้มีศีลแล้ว เป็นมิจฉาศีลแล้วไม่เคยทําความชั่วมาก่อนไม่เคยทําความชั่วมานมนานเวลาเรานั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเพราะเราไม่ได้ทําความชั่วทางกายทางวาจาจะทําให้จิตใจของเราก็เพื่อมวุ่นวายไม่มีเรารักษาศีลมาตลอดเพราะนั้นเรามานั่งสมาธิจิตใจของเราก็ไม่วิตกไม่กังวลไม่สายแสออกไปข้างนอก เมื่อนั่งสมาธิจิตใจเขาเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าคนที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาร้อนๆ อ, อันนี้ก็คือสินจำเป็นจะต้องสำหรับผู้ที่จะดำเนินเดินตามมักของพระพุทธเจ้าเมื่อสินของเราดีแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราไม่วิตกกงังวล กำหนดยู่จดกรรมฐานใดก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเราไม่ได้วิตกกังวลกับสิ่งอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่จะไปถึงวันข้างหน้าเราปล่อยวางว่างทั้งหมดทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งตัดออกหมดในขณะที่เราฟังในขณะที่เรานั่งสมาธิเราจะจับกับกรรมฐานใดเราจะกำหนดกับกรรมฐานใดอริยบทใดยืนเดินนั่งนอน เรื่องการก้าวเดินเรากําหนดก้าวเดินหรือเรากําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเรากําหนดทั้งร่างกายของเราให้มีสติอยู่กับร่างกายของเรากําหนดให้รู้อยู่ในร่างกายของเราทุกส่วนกําหนดให้มันเป็นหนึ่งนิ่งจิตของเราก็เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะไม่วิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว จะนำจิตนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาถอนออกมาจากด้านปัญญาแต่บางท่านบางคนกลับกล่าวว่าเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะเดินปัญญาด้วยตนเองอันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เฉพาะเป็นไปไม่ได้ทีเดียวก็ไม่ใช่ก็อย่างพวกคิดปรับปัญญาอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นพอนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตมันเป็นฐานของความสงบแล้วมันก็ปึ๊กไปซะ ทางปัญญาวิปัสสนาพิจารณาทางด้านปัญญาไปเลยอันนั้นแปลว่าพวกรู้ไดเร็วพวกชิปปปญญาเป็นไปได้<อ>มันวิ่งพลัดไปเลยรู้ทั้งหมดเลยปล่อยวางทั้งหมดอันนี้แปลว่ารู้ไดเร็วพวกชิปปปญญาแต่ถ้าว่าพวกรู้ไดช้าอย่างที่ว่าอันไหนมากกว่กากันรู้ไดเร็วก็รู้ไดช้าเนี่ยรู้ไดช้ามากกว่าท่านก็สอนแบบรู้ไดช้านี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว เป็นพื้นฐานแล้วนำจิตที่สงบถอนขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาอะไรที่เราถนัดเราจะพิจารณาเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ได้เราจะพิจารณาเป็นอสุภะเป็นกองหมดกองขูดก็ได้หรือเราจะพิจารณาเป็นแยกส่วนแบ่งส่วนในร่างกายอาการสามสิบสองเราจัดมากองไว้เป็นส่วนๆก็ได้ หรือเราจะพิจนารณาเป็นร่างกระดูกคนเรามีร่างกระดูกเป็นแกรนเป็นโครงสร้างเราไม่ให้มีเนื้อมีหนังให้มีแต่โครงกระดูกนอนลาดอยู่กับพื้นอย่างนั้นให้มันอยู่ติดกันเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงร้อยปีเป็นอายุไขของมันแต่ใจของเรามาติดมาคล้องมายึดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของเรายึดเอาจริงๆ ยึดมั่นถือมั่นจริงๆว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆนี่แหละมันก็เลยเกิดความโรคความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะมันหลงร่างกายคนนั้นท่านยังพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ให้มันหลงร่างกายในเมื่อมันไม่หลงร่างกายตัวเองมันก็ไม่หลงร่างกายคนอื่นเมื่อไม่หลงร่างกายอื่นทรัพย์สมบัติภายนอกสมบัติพระสถานทั้งหลายก็ไม่หลง ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ทาให้ดีแต่เราไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับน้าค้างอยู่ใบบัวอย่างนั้นน้ำอาศัยใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราอยู่กับทรัพสมบัติกับของวัตถุทั้งหลายแต่ใจของเราไม่แปรเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละคนมีธรรมใจมีธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ถึงจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ติดสิ่งเหล่านั้นรู้ว่าจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้คือจิตเป็นธรรมถ้าจิตเป็นโลกแล้วก็เยิ้มข้อหาการหมดเหมือนกับน้ํากับน้ํานมอย่างนั้นคนเข้ากันเข้ากันหมดแต่ถ้าว่าจิตเป็นธรรมละเหมือนน้ากับน้ํามันมันเป็นคนละส่วนกันใบบัวกับน้ำนะมันเป็นก้อนอยู่งั้น นี่แหละทำาำอยู่กับโลกโลกอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับร่างกายก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นพิจารณาดูเวลาไหนือร่างกายคนนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านี้ใจของเรามันจะบอกในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือใจที่เราได้ฝึกผ่านศีลสมาธิปัญญามาแล้วพิจารณาทบทวนดูแล้ว จากนั้นก็เพารณาถึงใจตัวเองอีกใจของเราเนี่ยมันไปติดไปข้องเพราะอะไรใจของเราเป็นเรื่องใหญ่ใจของเราไปสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจึงสําคัญขึ้นมาแต่เราไม่ให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญสักแต่ว่าเท่านั้นเองแต่เราไปให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นก็นจึงสําคัญขึ้นมาเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเนี่ย อ, อันนี้ก็ต้องเพียณาถึงใจเท่านั้น ถ้าหากว่าการภาวนาถ้าไม่ถึงใจถ้ามีพิจารณาใจเรากไม่รู้จะพิจารณาที่ไหนเพราะเรื่องใจทั้งหลายแหล่ออกไปจากใจทั้งหมดถ้าเราไม่ชำระใจไม่ไต่ตรองไม่กันกรองไม่พิจารณาดูใจของตนเองเราก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรตายมันเป็นส่วนหนึ่งตนเองเป็นทางเดินของใจเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมก็ว่าได้แต่พอมาถึงใจทะ่นี้มาพิจารณาดู ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดต่างๆเนี่ยย้อนเข้ามาตัวนี้เอทา ม, มาถึงตัวนี้แล้วต้องใช้ธรรมะที่ว่าปัญญาอย่างละเอียดไม่ใช่ปัญญาหาอยู่หากินเฉยๆเนียปาเลไม่ใช่ปัญญาหาความร่ำความรวยเลยไม่ใช่ปัญญาแบบรู้จักสูงรู้จักต่ำไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสิมาถึงปัญญาจุดนี้ไปว่าปัญญาที่จะหากรัง กิเลสราคะาโภสะโมหะอยู่ในจิตใจตัววิชาปัจจญาสร้างฆารานี่อัปมวยแล้วก็แปลว่าจ้องตาขม็งใส่กันแบบว่าไม่ขยับเลยแล้วงั้นเถอะพอไหลยึดเท่นั้นก็ต่อยรัดทันทีเลยแบบนั้นเถอะปานนั้นแหละมันจึงจะทันกันกับกิเลสจุดนั้นเพราะนั้นธรรมะจุดนี้เนะี่ยปัญญาจุดนี้เนะี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นยานปัญญาที่แหลมคมมากเป็นยานปัญญาที่มหาสติมหาปัญญา จึงจะเท่าทันจึงจะรู้ทันการเคลื่อนไหวของกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะมันแฝงอยู่ในใจของเราใจของเราเนี่ยเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งบางทีกิเลสขึ้นไปนั่งบางทีธรมขึ้นไปนั่งแต่ตอนนี้พอทำจุดนี้เข้ามาไดเนี่ยมันต้องมหาสติมหาปัญญาท่านเองที่จะกำจัดชะล้างมันต่ตอยออกไปไม่ให้มันเข้ามาเป็นอนันตการจนหมดความ เยื่อใยสงสัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางทั้งหมดในหลักธรรมก็บรเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ปล่อยวางหลุดพ้นรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางทั้งหมดละอันนี้คือธรรมะภายในใจสาหรับผู้ปฏิบัติรู้ด้วยตนเองถึงระดับไหนรู้ด้วยตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตตังเมื่อปฏิบัติถึงระดับไหนรู้ด้วยตนเอง นั้นพวกเราทุกๆท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่ามองข้ามในการเป็นอยู่เรื่องศีลเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างพวกเราสวดพระปฏิโมกต์ในวันนี้ทุกสิกขาบทมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงชะล้างความชั่วทางกายวาจาของเราคือศีชลชําระสิ่งเหล่านั้ น, นสมาธิชําระทางจิตใจ นึกคิดเรื่องอะไรปล่อยวางไม่ให้จิตใจหิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆต้องเอาสมาธิเป็นผู้กากับจัดการแล้วก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารที่ใจของเราไปติดไปข้องอยู่กับสิ่งใดก็ใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางทางจิตใจสรุปแล้วก็คือธรรมะ พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยท่านบัญญัติไว้ถูกแล้วดีแล้วงามแล้วเหมาะแล้วเป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วแต่พวกเราที่จะปฏิบัตินั่นเองมาถกมาเถียงกันเอาพระธรรมคาสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองเป็นคําคิดของตัวเองเป็นคําพูดของตัวเอง พอรู้ได้ธรรมะแล้วก็หาว่าตัวเองรู้ธรรมะแปลว่าผู้ได้ธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่ารู้เฉยๆไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ชําระจิตใจของเรายังไม่ถึงจุดนั้นเพียงแต่ว่ารู้เฉยๆไม่ใช่เนื้อในใช่หนังของเราเพราะฉะนั้นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านพยายามนํามาประพฤติปฏิบัติใครจะยึดอะไรกรรมฐานภาวนานพุทโธ ลมหายใจเข้าออกเวลาเดินก้าวพุทโธพุทโธแต่พยายามทําให้มากจเจริญให้มากทําให้ต่อเนื่องนั่นแหละคือจุดที่จะถึงจะรู้ได้ด้วยตวเนเองแต่ทางว่าเราทําพออยอะๆเยอะๆทาไปเป็นวันๆไปมีแต่ลมมาทวงผลทําไมเราภาวนาเรามาบวชทําไมจิตใจของเราไม่สงบเราไม่ได้มองผลเลย ผลของเรานี่อ่อนแอมากผลของเราเนี่ยไม่สมเหตุสมผลที่จะทำให้จิตสงบได้มันก็สงบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราทาสมเหตุสมผลส่าเราจิตใจของเราหยาบคึกขนองในช่วงนี้เราก็พยายามเดินโยกให้มากภาวนาให้มาก บ, บังคับให้มากแคนี่แหละจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบไม่เหลือบา ก, กว่าแรงอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านเนะ่อยากจะให้จิตสงบ เป็นพื้นฐานให้ได้จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้สักครั้งหนึ่งเ อ, อก็ยังดีนะถ้าครั้งต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือทําไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะจิตเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันบอกด้วยตนเองเลยเนะื้ร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งจิตใจมันเป็นส่วนหนึ่งเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกถ้าวาจิตอยู่ธรรมดาจิตสงบธรรมดานี้มันยังคลุมเครืออยู่ อย่างไรก็ตามพยายามปลุกระดมตนเองบังคับตนเองปลุกระดมตนเองให้สู้ไม่มีใครที่จะเตือนเรานอกจากเราถ้าเราไม่เตือนเราจะให้คนอื่นบอกกล่าวนั้นบางทีเราเกิดอารมโมโหโธสให้เขามีแต่เราเท่านั้นที่เตือนเราถ้าเราต้องการความสุขความเย็นใจเราก็ต้องเตือนเราเตือนเราให้สู้เตือนเราให้ประพฤติเตือนเราให้นั่งสมาธิภาวนาเตือนเราให้เดินจงกรม อดหลับอดนอนอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทั้งหมดสู้ทั้งหมดเมื่อสู้ไปแล้วใจของเราได้รับความสงบพร่มเย็นขึ้นมาแล้วนั่นและความคุ้มค่าหรือว่าการอดของเราเนี่เราไม่ได้เสียใจเลยเราจะไม่เสียใจกับความอดทนของเราในขณะที่เราทำความเพียรเลยเราจะภาคภูมิใจตลอดไปเลยว่างั้นเถอะให้ทดลองดูกันแล้วกันนะ การเดินจงกรมนัง่งสมาธิภาวนาทั้งคืนตลอดทั้งคืนเดินทั้งคืนโอ้ตายเราเนี่เสียใจจริงๆเราทําความเพียรไปแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นั่น น, น่นนะสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีในหัวใจเลยถ้าถ้าว่าเราทําไปแล้วเนี่เราสู้ไปแล้วนี่มีแต่ความภาคภูมิใจในใจเออเราทาได้ยังไงทําไมทนะ่านเราทําได้ยังไงเราสู้ได้ยังไงเราปฏิบัติได้ยังไง มีแต่ความภาคภูมิใจไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นนะความเสียใจอ้ในช่วงนั้นเราเปล่าประโยชน์จริงๆทั้งที่เราเข้ามาบวชเป็นพระแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเปล่าประโยชน์จริงๆในช่วงนั้นนั่นหละจะเสียใจเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราทุกท่านให้ตั้ง อ, อกตั้งใจนะเอาตอ น, นี้ไปอังสมาธิทีนี้